พวกที่สามคือเหตุปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นแม้เป็นเรื่องทางด้านร่างกายเป็นวัตถุภายนอกเช่นโรคภัยไข้เจ็บความไม่สะดวกความเป็นอยู่ที่ลำบากแร้นแค้นเช่นขาดแคลนอาหารเป็นต้นในทางปฏิบัติเหตุปัจจัยทั้งสมนี้มักสัมพันธ์กันเหมือนเป็นอันเดียวเช่นเกิดความลำบากขึ้น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 เล่าตามบาลีโดยอาศัยอัตถกถาเชื่อมความว่าพระภิกษุชื่อว่าโคติกะบำเพ็ญเพียรอย่างจริงจังจนได้สามายิกาเจโตวิมุตติคือโลกิยะสมาบัติแต่ท่านได้รับความทรมานจากโรคเรื้อรังประจําตัวอย่างหนึ่งต่อมาท่านจึงเสื่อมจากเจโตวิมุตตินั้นท่านตั้งใจบำเพ็ญเพียรจริงจัง ได้เจโตวิมุตตินั้นอีกแต่แล้วก็เสื่อมอีกกลับไปกลับมาเช่นนี้ถึงหกครั้งครั้นได้เจโตวิมุตติใหม่อีกเป็นครั้งที่เจ็ดท่านจึงคิดว่าท่านคงจะเสื่อมจากมันอีกเหมือนครั้งก่อนๆดังนั้นควรจะตายเสีระหว่างที่ยังได้อยู่นั้นดีกว่าตายเมื่อเสื่อมจากมันไปตอนนี้อัรถกาถาว่า ท่านคิดว่าถ้าตายตอนชาญเสื่อมแล้วก็ไม่แน่ว่าจะได้ไปเกิดที่ไหนถ้าตายในเวลาที่ชาญยังอยู่ก็แน่ใจได้ว่าจะไปเกิดในพรหมโลกท่านจึงเอาสัตรามาฆ่าตัวตายแต่ครั้นทำร้ายตนเองแล้วนอนได้รับทุกขเวทนาอยู่ท่านตั้งสติได้กำหนดพิจารณาเวทนาจเจริญกรรมาฐานเลยได้บรรลุอรหัตผลปาริณิพาน์ อีกแห่งหนึ่งรัดถึงสมณพราหมณ์บางพวกซึ่งคิดว่าถ้าตนจะยุ่งเกี่ยวกับกามาคุณอยู่ในโลกก็จะเกิดความมัวเมาประมาทแล้วก็จะตกอยู่ใต้อำนาจของมารจึงสละกามคุณออกไปอาศัยอยู่ในป่าบริโภคผักผลไม้ตามมีตามได้ต่อมาถึงเวลาแห้งแลง้งหาอาหารยากอดอยากเข้าร่างกายสู้ผอมหมดเรี่ยวแรง เจโตวิมุตติคือความปลงจิตปลงใจน้อมดิ่งไปว่าจะอยู่ป่าหรือความรักที่จะอยู่ป่าแต่เดิมนั้นก็เสื่อมหายเวียนกลับมาหากรรมะคุณมัวเมาอยู่ในโลกต่อไปอีกเรื่องทั้งสองข้างต้นซึ่งแสดงความเสื่อมของเจโตวิมุตติในระดับที่ต่างกันนี้ยกมาพอเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียง เพื่อให้มองเห็นรูปร่างของเจโตวิมุตติและหนทางที่เจโตวิมุตตินั้นอาจจะเสื่อมไปได้อย่างไร